แนะนำบทอัลอินซานบทอัลอินซานหรือบทอดัดดะ์รีเป็นบทมาดานียะมี31องค์การที่กล่าวถึงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับโลกอาคิระ์โดยเฉพาะความสุขสมราญของบรรดาผู้ยำเกรงมีธรรมะซึ่งพำนักอยู่อย่างถาวรในสวนสวนรรค์อันบรมสุขบทนี้ได้เริ่มชี้แจงถึงเดชานุภาพของอัลลอ์ในการสร้างมนุษย์ไว้หลายขั้นตอน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 ซึ่งต้องการแสงสว่างจากอัลกุรอานโดยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ م م แน่นอนการเวลาที่ยาวนานได้เกิดขึ้นแก่มนุษย์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 เป็นผู้ได้้เห็นถาจริงเราได้ชี้แจงทางนำให้แก่เขาแล้วบางทีเขาก็เป็นผู้กระตันอยู่บางทีเขาก็เป็นผู้นเนรคุณอถ้จริงเราได้เตรียมโซ่ตรวน และกุญแจมือและไฟที่ลกโชดช่วงสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วแท้จริงบรรดาคนดีนั้นจะได้ดื่มจากแก้วน้ำซึ่งผสมด้วยการะบูนหอม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 และพวกเขาให้อาหารหนึ่งด้วยความรักต่อพระองค์แก่คนยากจนเด็กกำพร้าและเฉลยศึกพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราให้อาหารแก่พวกเจ้าโดยหวังความโปรดปรานของอัลลอ เราไม่ได้หวังการตอบแทนและการขอบคุณจากพวกเจ้าแต่ประการใดแท้จริงเรากลัวต่อพระผู้พิบาลของเราซึ่งเป็นวันแห่งหน้านิวคิ้วขมวดและแสนสาหาัสดังนั้นอัลลอจะทรงปกป้องพวกเขาให้พ้นจากความชั่วร้ายของวันนั้น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 พวกเขาจะนอนเอกขเนกอยู่บนเก้าอี้นวมยาวในสวนสวรรค์พวกเขาจะไม่พบเห็นแสงอาทิตย์และความหนาวเหน็บและร่มเงาของสวนส ว, นสวรรค์จะปกคลุมพวกเขาอย่างใกล้คิด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 และอาณาจาักอันกว้างใหญ่ไพาศาลบนพวกเขามีผ้าสีเขียวทําด้วยไหมละเอียดและผ้าไหมห ย, ยาบและถูกประดับด้วยกําไรเงินและพระผู้อภิบาลของพวกเขา จะทรงให้พวกเขาได้ดื่มเครื่องดื่มอันบริสุดยิ่งแท้จริงนี่คือการตอบแทนแก่พวกเจ้าและการบากบันของพวกเจ้านั้นเป็นที่ยอมรับด้วยความยินดีอแท้จริง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 และผู้ปฏิเสธศรัทธาคนใดในหมู่พวกเขาและจงรำลึกถึงพระนามของพระเจ้าของเจ้าในยามเช้าและยามเย็นและจากส่วนหนึ่งของกลางคืนเจ้าจงสุยูด ต, ต่อพระองค์และจงแท้สองสรุดีต่อพระองค์ ในยามกลังคืนอันยาวนานถ้าจริงชนเหล่านี้พวกปฏิเสธสัทธารักชีวิตชั่วคราว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 แท้จริงนี่คือข้อเตือนสติดังนั้นผู้ใดต้องการให้เขายึดแนวทางสู่พระผู้อภิบาลของเขาแต่พวกเจ้าจะไม่สมปรารถนา